วันนี้เป็นวันมาคบูชาตรงกับวันพุทธที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันสำคัญตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นจริงนั้นเป็นวันที่สามของวันสำคัญสำคัญของทางพระพุทธศาสนา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 แล้วได้ทรงประกาศพระธรรมครําสอนนั่นคือวันสําคัญครั้งที่สองคือวันอาสาหบูชาสองเดือนจากหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้ทรงตัดสรูปแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนพระปัญ จ, จวัคคีจนพระปัญ จ, จวัคคีทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต ตัะสาวกเป็นพระอาหารหันต์องค์ห้าองค์แรกของพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นพระองค์ก็ส่งล่วงไปสู่สำนักของนักบวชต่างๆแล้วก็ส่งประกาศสั่งสอนพระอริยสัจสี่มรรคแปดใจรักให้แก่นักบวชต่างๆก็ปรากฏมีผู้สามารถศึกษาปฏิบัติ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 จึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จ ด, ดับขันธ์พรนิพพานไปแล้วก็ต้องอาศัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจําจารึกไว้ในสื่อต่างๆเป็นพระาศาสดาเป็นพระอาจารย์สั่งสอนโดยอาศัยพระอาหารหันตสาวก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 ก็เป็นปัญหาที่เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยที่จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยหัวใจของพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่เคยปรากฏมาตั้สรู้ในอดีตการนยาวนานที่ผ่านมาหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏขึ้นในอนาคตที่อันไกลก็จะประกาศพระธรรมคําสอนเหมือนกันหมด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 ก็ต้องมีการศึกษาพระธรรมคําสอนก่อนศึกษาว่ า, าการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรสุปฏิปันโนเป็นอย่างไรอุชุปฏิปันโนเป็นอย่างไรยายะปฏิปันโนเป็นอย่างไรสามีจิปฏิปันโนเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติตามไป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 ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอนันตรอนันตาริยกรรมที่ผู้ใดกระทำแล้วจะต้องไปใช้กรรมในนรกทันทีก็คือหนึ่งการฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระอรหันต์สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและห้าทำให้สงแตกแยกการกระทำเหล่านี้ถือว่าเป็นโทษร้ายแรง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 เ อ, อ่อถามกลับไปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราได้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วพ อ, อได้ฟังอย่างนี้องค์ุลิมานก็ได้สติได้ปัญญากับคืนมายุติความพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจา้าแล้วกลับมาฆ่าฆ่าศึกศัตรูที่แท้จริงขององค์ุลิมาน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 ความเห็นของตนเป็นใหญ่ถ้าถือทิฏฐิก็จะต้องพยายามฆ่าพระพุทธเจา้าให้ได้ถ้าฆ่าได้หรือทำให้พ่อพระพ่อพระโลหิตก็จะต้องไปตกนรกทันทีนี่คือความแตกต่างระหว่างการเชื่อครูบาจารย์กับการไม่เชื่อครูบาจารย์การมีครูบาาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริง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 มาค้าบูชานี้พวกเราก็ควรที่จะน้อมเอาคติธรรมที่เราได้ยินได้ฝังเกี่ยวกับเรื่องของวันมาค้าบูชานี้เอาไปปฏิบัติพยายามเชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นครูบาอาจารย์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 ของใจเรานี้เองใจเราทุกข์ก็เพราะว่ามีความอยากสามประการเรียกว่ากามตัญหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาถ้ามีความอยากเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้ร่ำรวยผู้ยากจนก็จะมีความทุกข์ใจเหมือนกันแล้วก็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 ความทุกข์ภายในใจของเราก็จะหายไปแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงความรู้คือปัญญาในระดับภาวนานี้ได้เราต้องมีส ม, มถาภาวนาก่อนเราต้องเข้าสู่ความสงบให้ได้ก่อนเพราะถ้าใจไม่สงบนี้ใจจะไม่สามารถคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ใจจะถูกอารมณ์ความรักความชอบ ความกลัวความหลงครอบงำอยู่จะทำให้ไม่สามารถเห็นอนัตตาในสิ่งต่างๆได้เพราะความรักความชังความกลัวความหลงนี้จะทำให้มีแต่ความอยากให้สิ่งที่ตนรักชังกลัวหลงนั้นหายไปแล้ว อ, อยู่ต่อไปนั่นเองแต่เวลาทําใจให้สงบแล้ว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 แล้วใจที่จะสงบได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนเพื่อที่จะกมจัดไม่ให้ใจต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไปวุ่นวายกับการกระทำผิดการกระทำบาปต่างๆนั่นเองเพราะเวลาทาบาปแล้วใจจะมีความวุ่นวายจะไม่สงบจะทำให้การทำใจให้สงบนี้ยากลาบากไม่สามารถที่จะทำได้ จึงต้องรักษาศีลแปดกันก่อนจะรักษาศีลแปดก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงต้องพยายามถือศีลห้านี้เป็นเป็นนิจศีลคือเป็นปกติจะไม่ทำการทําบาปทั้งห้าข้อนี้ตลอดเวลาแล้วพอรักษาได้แล้วก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีลแปดได้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 ที่ถ้าไม่มีพระอค์มาเป็นผู้สั่งสอนแล้วจะไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยดัยงนั้นขอให้พวกเราจงพยายามบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเถิดแล้วจะทำให้เหานี้ได้พบกับความสุขและความเจริญ และทำให้เหล่านี้เป็นคนที่มีความกระตันอยู่อย่างแท้จริงการแสดงวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาเรปุระนติสาคการง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 มาเตผวะตวันตาราโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนสีิตสะนิจังวุธาปะจายโนจตโรธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขังพาลางต่อไปนี้จะ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 อย่างมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านไปนั่งอยู่ในป่าชาแล้วพอภาวนาไปสักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงแกลกแกๆกแกท่าน ก, ก, ก, ก, ก, ก็คิดว่าผีมาแต่ท่านอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ว่ามันเป็นผีหรือเป็นอะไรกันหนาะท่านก็เลยควบคุมใจแล้วก็บังคับให้ตัวท่านเดินไปหาเสียงที่กำลังเกิดเึืนอนั้นว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรพอไปถึงใกล้เสียงนั้นแล้วสอง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 ลองว่าเป็นสิ่งที่มีคุณ ม, มีประโยชน์กับจิตใจของเรานี่ก็คือวิธีแก้ความกลัวสองวิธีด้วยกันคำถามต่อไปจากคุณวิ ล, วลาลัยไม่เข้าใจคำว่าอธิศีนอธิจิตอ ธ, อ ธ, อธิปัญญาค่ะก็ศีนก็มีหลายระดับเหมือนโรงแรมที่มีหลายดาวโรงแรมดาวหนึ่งกับโรงแรมห้าดาวมันก็มีความแตกต่างกัน มีห้องนอนเหมือนกันมีห้องน้าเหมือนกันแต่ความละเอียดความความหรูหรานี่มันต่างกันการได้ศีลก็มีศีลต่ํากับศีลสูงศีลต่ําก็คือศีลที่เราเริ่มทํากันรักษากันแบบน้ํมลุกคุก ค, คานี่เรียกว่าศีลต่ํารักษาได้วันพระวันไม่พระก็รักษาไม่ได้ถ้าเป็นอนติศีลนี่ก็รักษาได้ตลอดเวลาได้ทุกวัน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 ต้องพยายามทําบ่อยๆทํามากๆไม่ใช่ทาครั้งสองครั้งเรวหวังว่าจะได้ผลทํามากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ผลก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับแล้วพอทําได้แล้วต่อไปก็จะง่ายแลวจะทําได้อย่างสะดวกรวดเร็วคำถามต่อไปจากคุณมายุรีดิฉันมีปัญหาคือญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณมากเทียบเท่ากับแม่เข้าใจเราผิด เพราะคําพูดของคนอื่นไม่ยอมเปิดใจรับฟังเราเลยท่านใจแข็งแล้วเราจะทํำยังไงดีท่านโกรธนานแล้วค่ะดิฉันรู้สึกไม่สบายใจมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่เป็นเรื่องความรู้สึกขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะก็เพราะว่าเราไม่เห็นคําว่าอนัตตานั่นเองคือว่าแม่นนี้ไม่ได้เป็นคนที่เราจะสั่งให้เขาเชื่อเราได้น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 ไปไหนมาไหนเราก็พูดไปเท่านั้นแต่เราจะพยายามควบคุมไม่ให้มีอารมณ์รับไม่มีให้เกิดอารมณ์รักชงังกลัวหรือหลกับสิ่งที่มาปรากฏให้เรารับรู้ให้เราสักแตรวร่ว่ารู้เหมือนกับขณะที่เราอยู่ในสมาธิถ้าเราไม่สามารถทําได้เราก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าเขาเป็นใจรักเราก็จะสักแต่ว่ารู้ได้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 วันนี้มีคนมามากนะถ้าไม่มีก็จะได้ให้ปล่อยกลับบ้านได้งั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ